เจตสิกเจ็7อย่างที่ต้องเกิดพร้อมกับจิตทุกขณะและดับพร้อมกับจิตทุกขณะข้อที่สสัญญาการกำหนดหมายในอารมณ์หรือการทำเครื่องหมายในอารมณ์หมายเหตุหรือโดยมากท่านปลกันว่าความจําได้หมายรู้นะครับเหมือนอย่างช่งางไม้เมื่อจะทำโต๊ะหรือเก้าอี้